เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากมียากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนทะกรคนชอบเล่ากลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับก็เช่นเคยครับผมจะหานิทานดีๆหาเรื่องดีๆที่มีคติทำสอนใจมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเหมือนเช่นเคยครับ คลิปนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการรับประทานการกินของผู้ที่กินเก่งบ้างนะครับเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนนึงชื่อในยอดในยอดเนี่ยเก่งมากครับในเรื่องการบริโภคอาหารทั้งหลายกินได้เยอะกินได้ปริมาณที่มากๆกกินโดยไม่เกรงใจใครกินได้โดยไม่ปรึกษาใครไม่ว่าจะงานไหน ถ้าหากว่าเขาได้รับเชิญไปแล้วและวก็รับรองไม่ผิดหวังอาหารเป็นต้องหมดทุกเมนูในยอดสามารถนั่งได้ตั้งแต่เริ่มงานยันจนเลิกงานแถมยังห่อกลับบ้านได้ด้วยเก่งไหมล่ะครับและถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเชิญเขาก็ช่างหากเขารู้แล้วล่ะก็ถึงจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนผู้ห่างไกลถึงจะไม่สนิทขนาดไหน<ๆ>เขาก็สามารถเข้าไปมั่วนิ่ม<ๆ>เข้าไปนั่งกินได้แบบสบายใจ โดยไม่เกรงใจใครเช่นกันครับและถ้าหากแม้ใครเผลอเอ่ยปากชวนเข้าไปแล้วก็รับรองว่าอาจจะไม่เหลืออาหารนาไว้เป็นสเสบียงให้สำหรับครอบครัวกินไปอีกหลายวันเลยละครับกิจศัพท์และความสามารถของในยอดนั้นเป็นที่ระบือไกลทำให้ชาวบ้านกับเพื่อนๆหรือญาติเนาระอากันเลยทีเดียวครับและภายในหมู่บ้านที่ในยอดอยู่นั้นผู้ใหญ่บ้าน ก็รู้ถึงกิติศัพท์นี้ดีและเขาก็ไม่ชอบอกมากๆครับเนื่องด้วยเขาเคยเชิญในยอดไปงานเลี้ยงฉลองจบการศึกษาของลูกชายเขางานนั้นเขาเห็นความตะกะของในยอดแล้วเขารับไม่ได้จริงๆเขาจึงได้คิดแผนการขึ้นมาเพื่อจะดัดนิสัยของในยอดนี้ในยอดเอ๋ยคราวนี้แหละเองเสร็จค่าแน่ผู้ใหญ่บ้านจึงให้ลูกน้องเปล่าประกาศไปว่า อีกเจ็ดวันข้างหน้าจะมีงานเลี้ยงใหญ่ขอเชิญลูกบ้านทุกท่านมาร่วมกินมาดื่มฉลองกันให้เต็มที่อย่าลืมสะละเมื่อข่าวมาถึงหูของเจ้ายอดนักขมือบอันแสนอัจฉริยะก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งโอ้โหนับวสวรรค์มีตาฮ่าฮทีนี้แหละข้าจะขมืบไปเต็มที่เลยอของน่าจะอร่อยทั้งนั้นแหะเนี่ยไม่แปลกที่เจ้ายอดจะรู้สึกดีใจ เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆมาหลายวันแล้วเนื่องจากญาติญาตกับเพื่อนๆก็ระอากันไม่ค่อยมีใครชวนเขาไปกินร่วมวงด้วยเลยวันที่หก่อนนัดหมายหนึ่งวันเจ้ายอดก็ขมือบของภายในบ้านของตนเองเท่าที่มีกินให้อิ่มมีพิมันเสร็จที่เหลือก็โยนทิ้งทิ้งทิ้งควง้างๆเพราะด้วยใจหวังไว้ว่าพรุ่งนี้แหละเราจะได้กับข้าวใหม่เอามากินฮ่าฮ่คิดแล้วสบายใจเลย คืนนั้นเจ้ายอดก็เข้านอนด้วยความฝันดีเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วสินะที่เจ้ายอดจะได้กินอาหารอันแสนอร่อยที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้ายอดต้องพบกับข่าวร้ายที่ไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยลูกน้องของผู้ใหญ่บ้านมาแจ้งว่าเฮ้ย hey, ยอดงานเลี้ยงอ่ะต้องเลื่อนไปอีกสองวันนะบังเอิญกาหนดการมันเลื่อนไปสองวันนะพวก แต่เองก็อย่าลืมไปละกันนะอีกสองวันอย่าลืมนะเว้ยอาหารเยอะเลยเจยอดได้ยินงั้นถึงกับหมดแรงนั่งสุดลงอยู่กับพื้นโอ้ยอะไรกันเนี่ยโอย้และอาหารเราเนี่ยทิ้งไปหมดแล้วด้วยโอย้แย่เลยจะเอาอะไรกินล่ะเนี่ยเจยอดแอบนึกโกรธผู้ใหญ่บ้านออกเป็นเนืองๆคิดในใจอีกสองวันนะจะกินให้กอย่างเลยคอยดูสิ สองวันต่อมาถึงวันนัดหมายตอนเช้าเจ้อยอดก็ปฏิจจ บ, บัติการกินสลอดเข้าไปเพื่อให้ตัวเองถ่ายออกมาจะได้ท้องว่างเวลาไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านจะได้กินอะไรให้มันเต็มที่ดังที่ใจมุ่งหวังแต่สิ่งที่เจ้อยอดไม่รู้ก็คือผู้ใหญ่บ้านได้แอบนัดทุกคนในหมู่บ้านให้ไปก่อนหน้าเจอยอดประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อให้กินอาหารกันให้อิ่มมีพีมานก่อน และแล้วเมื่อเจ้ายอดได้เดินทางไปถึงบ้านของผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้าไปในงานก็เห็นแต่แก้วน้ำกับขนมของหวานเล็กๆน้อยๆแต่ในใจของเจ้ายอดนั้นก็คิดว่าฮ <c oughs> เดี๋ยวสักพักนะอาหารคงจะยกออกมาแหละและเราเตรียมตัวมาอย่างดีทีนี้เอ้ยกินไม่ทันเราละฮ่ะฮ่าฮ่แต่รอแล้วรอเล่ารอจนท้องกิว่ว โอ้โหทำไมอาหารมันยังไม่มาสักทีจะยอดรำพึงในใจเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเอ๊ะทำไมไอ้พวกนี้มันไม่รู้สึกหิวกันเลยไงนะดูมีความสุขกันจังเลยผู้ใหญ่บ้านเห็นอย่างนั้นจึงเดินเข้ามาเออไป่งั้นเรยอดด้วยทำไมทำท่าคิดเครียดอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยพ่อผู้ใหญ่ครับไม่เห็นมีอาหารออกมาเสิร์ฟให้ผมกินเลยเนี่ยผมหิวหิวเนี่ยมารอตั้งนานแล้วครับอา้าว ทำไมเองยังไม่ได้กินอีกล่ะเขากินกันหมดงานแล้วนะเนี่ยเองมาถึงกี่โมงเนี่ยก็ค่านัดประมาณหกโมงเย็นไม่ใช่หรือเอ๊ะก็ตามที่ผมรู้ก็มาทุ่มครึ่งไม่ใช่หรอครับตามนัดนะเจ้ายอดตอบเสียงอ่อยออกไปผู้ใหญ่บ้านยังบอกว่าโอ้ยเองมาเอาป่านนี้แล้วก็คงเหลือแต่น้ํากับขนมเล็กๆน้อยๆให้เองกินนั่นแหละแม่ครัวข้าก็กลับบ้านไปแล้วด้วย สงสัยคงไม่มีใครทาให้เองกินนั่นแหละเจ้ายอดเอ้ยเจ้ายอดได้ยินแค่นั้นถึงกับเป็นลมล้มพับสลบไปทันทีด้วยความหิวสักพักใหญ่ๆเจ้ายอดก็ฟื้นขึ้นมาด้วยการปรถมพยาบาลของลูกน้องผู้ใหญ่บ้านเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบกับผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่ข้างๆพร้อมกันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็พูดว่าเจ้ายอดเอ้ยการทําอะไรก็แล้วแต่ให้มันพอดีการกินก็เหมือนกัน ก็จงกินให้มันพอดีไม่ใช่กินแบบตะกะตะกรามกินให้กระเพาะมันขยายใหญ่ไปเรื่อยๆมันก็เคยตัวไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอทีเนี้ยมันก็ทั้งสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและก็บปู่อื่นที่อยู่รอบข้างจนไม่มีใครเขาจะอยากคบค้าสมาคมกับเองอีกแล้วเองเข้าใจไหมเจ้ายอดได้ฟังก็ได้แต่ทำตาปริบๆพร้อมกับเสียงอ่อยๆว่าครับผมเข้าใจแล้วครับ จากนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ให้ลูกน้องยกอาหารมาให้เจ้ายอดกินจนอิ่มครับหากคุณเราทำอะไรที่มันพอดีพอดีประมาณตนแค่นี้ก็จะไม่ต้องมีใครมาเดือดร้อนแล้วครับทั้งตัวเราและผู้อื่นสวัสดีครับ